ตอนที่8ปดปัญหาที่หถามเรื่องพูดถึงเวทพระเจ้ามิลินตัดถามว่าข้าแต่พระนาคเสนเว ท, ทคูคือผู้ที่ถึงเวทมีอยู่หรือพระเถระจึงย้อนถามว่ามหาบพิตรในข้อนี้ใครชื่อว่าเว ท, ทคู พระเจ้ามิลินตัดตอบว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอัพัณตระชีพสิ่งที่เป็นอยู่ในภายในนี้ยอมเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสตดดมกลิ่นด้วยจมูกริมรส ด, ด้วยริ้นถูกต้องสัมผัสด้วยกายรู้ธรรมาลมด้วยใจนี้แหละชื่อว่าเวทคูโยมจะเปรียบให้พระผู้เป็นเจ้าฟัง เหมือนหนึ่งว่าเราทั้งสองนั่งอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้ปรารถนาจะแรดูออกไปทางช่องหน้าต่างใดๆก็แรดูออกไปทางช่องหน้าต่างนั้นๆจะเป็นทางตะวันออกหรือทางตะวันตกทางเหนือทางใต้ก็ได้ตามประสงค์ชั้นใดอภพันตะชีพคือสิ่งที่เป็นอยู่ในภายในร่างกายนี้ ต้องการจะดูออกไปทางทวารใดๆก็ออกดูไปทางทวาร น, นั้นๆแล้วก็ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังด้วยหูได้สูดดมกลิ่นด้วยจมูกได้รู้รสด้วยริ้นได้ถูกสัมผัสด้วยกายได้รู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจฉันนั้นพนระนาคเซ์ถวายพระพรตอบว่าอัตมภาพจะกล่าวให้ยิ่งขึ้นไปคือ เราทั้งสองอยู่ที่ปราสาทนี้ต้องการจะแร่ออกไปทางช่องหน้าต่างใดๆจะเป็นทางตะวันออกหรือทางตะวันตกทางเหนือทางใต้ก็ได้เห็นรูปต่างๆชั้นใดบุคคลต้องได้เห็นรูปด้วยตาหูจมูกริ้นกายใจอันเป็นอภันตะชีพอย่างนั้นหรือต้องได้ฟังเสียงด้วยตาหูจมูก ิ้นกายใจฉันนั้นหรือต้องได้สูดกลิ่นด้วยตาหูจมูกริ้นกายใจฉันนั้นหรือต้องได้รู้รสด้วยตาหูจมูกริ้นกายใจฉันนั้นหรือต้องถูกต้องสัมผัสด้วยตาหูจมูกริ้นกายใจฉันนั้นหรือต้องรู้ธรรมารลมด้วยตาหูจมูก ริ้นกายใจฉันนั้นหรือไม่ใช่ฉันนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของมหาป พ, พิษย่อมไม่สมควรแก่กันเหมือนอย่างว่าเราทั้งสองนั่งอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้เมื่อเปิดช่องหน้าต่างเหล่านี้ไว้แล้วแรออก ไปภายนอกทางอากาศอั them, นกว้างใหญ่ก็ต้องเห็นรูปได้ดีชั้นใดอภพันตรชีดนั้นเมื่อเปิดจักุทวาลหันหน้าออกไปภายนอกทางอากาศอันกว้างใหญ่ก็เห็นรูปได้ดีเมื่อเปิดหูจมูกริ้นกายใจไว้แล้วหันหน้าออกไปภายนอกทางอากาศอันกว้างใหญ่ต้องเห็นรูปได้ดีชั้นนั้นอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของมหาบพิษย่อมไม่สมควรแก่กันเหมือนอย่างว่ามียาจกเข้ามารับพระราชทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากมหาปพิษแล้วออกไปยืนอยู่ที่ซุ้มประตูภายนอกมหาบพิษทรงรู้หรือไม่ อ, อ๋อรู้สิพระผู้เป็นเจ้า ขอถวายพระพรผู้ได้รับพระราชทานแล้วเข้าไปภายในยืนอยู่ตรงพระพักของมหาบพิตรพระองค์รู้หรือว่าผู้นี้เข้ามาในภายในมายืนอยู่ข้างหน้าเรารู้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันั้นแหละมหาพบพิตรคืออัพันธระชีพนั้นเมื่อวางรถไว้ที่ริ้นก็รู้ว่าเป็นรถเปี้ยว หรือรสเค็มรสขมรสเผ็ดรสฝาดรสหวานหรือไม่รู้พระผู้เป็นเจ้าเมื่อรสเหล่านั้นไม่เข้าไปภายในอภัพนตรชีพนั้นรู้หรือไม่ว่าเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มรสขมรสเผ็ดรสฝาดรสหวานไม่รู้พระผู้เป็นเจ้านี่แหละมหาบพิษจึงว่าคําหลังกับคําก่อน หรือคําก่อนกับคาหลังของมหาปพิธไม่สมควรแก่กันไม่สมกันเหมือนกับมีบัลุษพู่หนึ่งให้บรรทุกน้ำผึ้งตั้งหนึ่งร้อยหม้อมาเทลงในรางน้าผึ้งแล้วมัดปากบัลุษนั้นไวจึงเอาทิ้งลงไปในรางน้ำผึ้งบรุษนั้นจะรู้จักรสน้ำผึ้งหรือไม่ไม่รู้พระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรละ่ะมหาปพิธ พอนำพึ่งไม่เข้าไปในปากของเขาขอถวายพระพรด้วยเหตุนี้แหละจึงว่าคำหลังกับคำต้นหรือคำต้นกับคำหลังของมหาปพิธไม่สมควรแก่กันเข้ากันไม่ได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมไม่อาจสนทนากับพระผู้เป็นเจ้าในข้อนี้ได้แล้วขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงข้อนี้ให้โยมเข้าใจเถิด ลำดับนั้นพระเถระจึงแสดงให้พระเจ้ามิรินเข้าพระทยัยด้วยถ้อยคำอันเกี่ยวกับอภิธรรมว่าขอถวายพระพรจะขุวิญญาณย่อมเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยตากับรูปแล้วจึงมีเวทนาสัญญาเจตนาพัสสะมณสิการอันเกี่ยวข้องกับจักขุวิญญาณ น, นั้นเกิดขึ้นตามปัจจัย ถึงโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณก็เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมลมแล้วจึงเกิดเวทนาสัญญาเจตนาภาษะมณสิการเหมือนกันเป็นอันว่าผู้ชื่อว่าเว ท, ทคู ไม่มีในข้อนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิรินบรมมกษัตริย์ได้ฟังชัดก็โสมนัสปีดามีพระราชดำรัสตัดสรรเสริญว่าพระผู้เป็นเจ้าวิสัชชานี้สมควรแล้วอธิบายคำว่าเวททะคูแปลว่าพูดถึงเวทท่านหมายความว่าเป็นพูดถึงซึ่งความรู้คือ ผู้รับรู้สิ่งต่างๆพระเจ้ามิลินเข้าใจว่าเวทคูนั้นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเป็นของมีชีวิตอยู่ภายในอันเรียกว่าอภัพตระชีบว่าเป็นผู้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูหรือดมกลิ่นด้วยจมูกเป็นต้นซึ่งเป็นการเข้าใจผิดส่วนที่ถูกนั้นพระนาคเสณท่านกล่าวว่าไม่มีสัตว์ บุคคลตัวตนหรืออภัณระชีพคือสิ่งที่เป็นอยู่ในภายในเป็นเวทคู่เลยการที่รู้อารมณ์ต่างๆนั้นได้แก่วิญญาณอันเกิดทางตาหูจมูกริ้นกายใจกับเวทนาสัญญาเจตนาพัฒสมนสิการต่างหากดังนี้คือข้อนี้ท่านมุ่งแสดงเป็นปรมัติ วงเล็บเปิดคือเรื่องของจิตและเจตสิกวงเล็บปิดไม่ได้มุ่งแสดงเป็นสมมุติวงเล็บเปิดคือธรรมะทั่วไปวงเล็บปิดถ้าว่าเป็นสมมุติเวทคู่นั้นก็มีตัวตนดังนี้